ทำไมพ่อค้าหนังโป้มีแฟนสวยถามหากอาชีพหากินกับการเป็นบาปทำไมเจ้าของร้านขายหนังโป้ยังได้ดีมีสุขและมีแฟนสวยล่ะครับตอบเพราะกรรมที่ขายหนังโป้ ไม่ได้ให้ผลเป็นการเป็นแฟนขี้เร่นะสิครับถ้าเขารูปหลอและหรือจีบสาวเก่งทำไมเขาจะมีแฟนสวยไม่ได้แล้วตราบใดที่ยังขายหนังทำเงินเป็นกอบเป็นกรรมเขาก็ย่อมซื้อข้าของมาปรนเปรอตัวเองกับแฟนให้เป็นสุขไม่ยากถ้าคุณอยากรู้เหตุผลของชีวิตเขาทั้งหมดอย่าดูแค่เขาขายหนังโป้ให้คุณเห็นถ้าเขาขยันทางาน รู้วิธีเก่งกำไรแบบพ่อค้าฉลาดเลือกสินค้าตามความพอใจของลูกค้าประกอบกับรู้จักใช้เงินไม่ส่รุ่ยส่ร้ายพร่ำเพรื่อแถมยังกระตันยูรู้คุณคนอย่างนี้ก็มีสิทธิรทมาค้าขึ้นได้ตามธรรมดาวิธีโลกและหากเขาหน้าตาพอไปวัดกับทั้งเป็นคนรู้จักพูดรู้จักเอาใจคนรู้จักประนีประนอม ประพฤตตนให้มีเสน่ห์น่าคบหาอารมณ์ดีง่ายๆเป็นกันเองสบายๆอย่างนี้ถ้าได้แฟนขี้เรศก็คงประหลาดเขาได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าขายหนังโป้ก็เพราะเขานำหนังโป้มาขายไม่ใช่อยู่ดีๆมีคนไปเรียกเขาว่าพ่อค้าหนังโป้ endeavor. การขายของลามกเป็นกรรมที่เขาทำประจำในปัจจุบัน แต่กรรมมีทั้งที่ให้ผลทันตาในชาตินี้มีทั้งที่ให้ผลในชาติถัดไปและมีทั้งที่ให้ผลแบบยืดเยื้อไปเรื่อยๆต่อๆจากชาติถัดไปไม่ใช่ว่าขายหนังโป้วันนี้พรุ่งนี้โดนตำรวจจับเข้าคุกให้เห็นทันทีเป็นขวัญตาการค้าขายหรือการมีอาชีพที่ต้องยั่วยุคนให้ราคะโทสะ โมหะกำเริบนั้นให้ผลชัดเจนที่สุดกับใจเจ้าตัวก่อนคือเป็นผู้มัวเมากามหรือแม้ไม่มัวเมามากนักก็จำต้องคลุกคลีตีโมงกับวงจรกามศกปรกวงจรสวยตำรวจวงจรแทงข้างหลังและอีกสารพัดวงจรอันน่าเน็ตนายยังเลี่ยงยากยิ่งถ้าทำตลอดชีวิต จนกลายเป็นการสร้างภพแห่งความเป็นเช่นนั้นถาวรก็ให้ผลหนักแน่นและเปลี่ยนเส้นทางยากยิ่งยวดในชาติต่อๆไปหากไม่มีบุญมาช่วยพยุงและเขายินดีในการค้าขายสื่อลามกตลอดชีวิตจะดึงเขาลงต่ำเหมือนคนถูกโยนลงน้ำโดยผูกหินใหญ่ไว้กับแขนขาถ้าคุณมีตาทิพย์มองเห็นความจริงที่ลึกลับนั้น รับรองเลิกสนใจรางวัลผิวเผินของการเป็นพ่อค้าหนังโป้วันนี้แน่นอนเลย